สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายกรคุณชอบเล่ากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในหมวดของเรื่องลี้ลับวันนี้เรื่องลี้ลับที่ผมจะนํามาแชร์ให้ทุกท่านได้ฟังก็คือเรื่องราวของคุณลีคุณลีก็เป็นเพื่อนของพี่ชาติที่ผมเคยเล่าไห้ฟังว่าแกไปหลงป่ามานะครับแกก็บอกว่าแกก็มีประสบการณ์เหมือนกันวันนั้นก็เล่าอยู่บนโต๊ะเดียวกับที่ฟังเรื่องของพี่ชาตินะครับก็เลยนำมาเล่าต่อยทุกท่านได้ฟังกันอีกที เห็นว่ามันแปลกดีไม่ซ้ำกับพี่ชาติแกบอกว่ามีครั้งหนึ่งแกหยุดหน้าร้อนพักร้อนนะครับแล้วก็นัดกับเพื่อนอีกสองคนว่าจะไปเดินป่าแถวกาญจนบุรีพวกแกตั้งใจกันว่าจะไปเที่ยวที่ถ้ำคลองงูอยากไปบุกถ้ำดูบ้างพวกเราเลยนัดกันวันศุกร์เรากออกเดินทางพร้อมอุปกรณ์นานาชนิดพากันมุ่งตรงไปทางตะวันตกของกรุงเทพและต่างคุยกันตลอดทาง เกี่ยวกับเรื่องท่านที่เรากําลังจะไปกัน2อชั่วโมงต่อมาพวกเราก็ไปถึงกาญจนบุรีแล้วก็กะจะหาที่พักค้างแดมกันที่เรียบร้อยซะ ก, ก่อนหาคนนําทางและก็ผู้ช่วยคนนําทางสรุปวันนั้นเราก็หาคนร่วมทางกับเราได้รวมกันทั้งหมดเป็น5คนรวมพวกเรา3มคนแล้วก็บอกคนนําทางถึงจุดประสงค์ที่เราอยากจะเข้าไปเที่ยวในครั้งนี้คนนําทางก็บอกว่าได้เลยครับเต็มที่อ๋อคนนําทางชื่อพี่นําโชคกับเอ เป็นเพื่อนกันพวกเราได้คนนำทางอย่างนี้ก็เลยรู้สึกสบายใจเหมือนกันคิดว่ายังไงเขาก็พร้อมลุยกับพวกเราอยู่แล้วพวกเราก็เดินทางกันต่อเลยทันทีไม่นานนักก็ถึงเขาน้ำพุพวกเราค้างคืนกันที่นี่ตามที่เราได้ตกลงกันเอาไว้กลางดึกคืนนั้นผมก็ได้ยินเสียงแปลกๆของป่าเหมือนกันดังมาแว่แวๆแต่ก็พยายามจะไม่คิดอะไรเดี๋ยวมันจะหลอนซะเปล่าๆแล้วก็นอนให้หลับซะพระพรุ่งนี้ พวกเราจะต้องออกเดินทางกันแต่เช้าเลยจากที่ทุกคนมีใจฮึกเหิมที่จะเตรียมลุยบุกป่าฝ่าถ้ำแต่วันนี้พอตื่นขึ้ น, นมากลับอ่อนลงไปมากความกระตือรือร้อนก่อนจะเริ่มเดินทางถูกแทนที่ด้วยความเงียบและความเหนื่อยล้าเพราะขณะนั้นเราได้มาถึงทางแก่งแคบๆขนาดด้วยหน้าผาสูงข้างเราคือแก่งลำคลองงูซึ่งมันจะมีถ้ำขนาดกันไปถ้ำบางแห่งมีขนาดใหญ่มาก ถ้ำสุดท้ายมีชื่อว่าถ้ำเขาหินซึ่งผมกับเพื่อนๆก็เคยได้ยินชื่อกันมาบ้างแล้วเราค่อยๆเดินคุยกันไปเรื่อยๆก่อนที่นายนำโชคจะพูดขึ้นมาลอยๆว่าที่เนี่ยกำลังถูกเสนอเป็นอุทยานแห่งชาตินะพวกเราก็เข้าใจความหมายของแกว่ายังไงแกคงจะห่วงป่านี้แหละเพราะถ้ามีคนเข้ามามากจนเกินไปธรรมชาติก็คงไม่เป็นธรรมชาติอีกต่อไปและทุกอย่างก็จะไม่เหมือนเดิม ผมก็เข้าใจถึงจุดประสงค์ของพวกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแต่ขณะเดียวกันก็เข้าใจพรานและคนนําทางอย่างนายนำโชคเหมือนกันแต่ละคนก็มีมุมมองที่ต่างกันยากที่จะมาบรรจบกันได้คุณอยากรู้อะไรเกี่ยวกับน้ําตกนั้นไหมครับนายนำโชคถามแล้วก็ชี้มือให้ดูที่น้ําตกพวกเราก็พยักหน้าแกก็เลยเล่าให้ฟังว่าตรงนั้นนะ่ะมีหินน้ําตกแม่น้ําและสายน้ําจะซัดสาดเหนือบริเวณแนวหินโปร่งซึ่งเป็นภูเขาไฟ กระแสน้ําจะพัดพาลงสู่เบื้องล่างและที่นี่ก็มีเรื่องเล่าของคนเมืองที่พูดถึงผีถ้าผีน้ําตกเพื่อนผมที่ไปด้วยหูพึงเลยหมอ น, นี่มันชอบฟังเรื่องแปลกๆแบบนี้อยู่แล้วมันยังไง่ะครับนายนำโชคมันก็เลยถามไปเลยนายนำโชคก็ตอบว่าเขาเล่ากันว่าเมื่อก่อนช่วงสงครามที่เนี่ยมีทหารญี่ปุ่นจับเฉเลยที่ขโมยของได้มันจับมัดมือปิดตาพามาทิ้งไม่ได้ถ้าแห่งนี้แหละ เฉลยคงหาทางออกไม่ได้และติดอยู่ในถ้าจนตายหลังจากนั้นทหารญี่ปุ่นก็เกิดกลับมาเพื่อมาเอาทองคําที่ซ่อนไว้สุดท้ายกระดวนผีหลอกและถูกฆ่ากลายเป็นผีเฝ้าถ้าอยู่ด้วยกันเขามีเรื่องเล่ากันว่าบางคืนจะเห็นทหารเฉลยกับทหารญี่ปุ่นของจกักรพรรดิมาสู้รบกันฟันดาบอยู่ในถ้าเสียงดังคริงคริงคริงคริงบางทีก็มีคนเห็นตัวว่ากันว่าผีญี่ปุ่นถูกผีเฉลยฟันซิ้นคอขาดเลยนะที่เขาเล่าว่ากันนะ ตอนนั้นเราก็ได้แต่ฟังกันเฉยตัวผมมันไม่ค่อยคิดอะไรมากก็เดินคุยสนทนากันไปเรื่อยๆการเดินทางในหุบเขานี้มันช่างพิเศษจริงๆทางเดินที่มันสบายสบายก็เริ่มแปลเปลี่ยนไปเมื่อใกล้จะสู่ทางเข้าถ้ำเอาละครับทุกคนถึงแล้วนาเอผู้ช่วยนายนำโชคร้องบอกด้านหลังครูหาปากทางบริเวณที่กลืนความมืดเราจะพบแม่น้ําคลองงูอีกครั้งแต่คราวนี้มันอยู่ใต้ดินและจะน่ากลัวมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ทางซ้ายกระแสน้ําจะเชี่ยวกรากหายเข้ามาในช่องที่ลึกอยู่ลงไปการจะเข้าไปพวกเราก็ต้องค่อยๆย่อนตัวเข้ามาในถ้ำที่มีขนาดถ้าช่วงแรกๆ ก, กว้างแค่ไม่เท่าไรเท่านั้นจากนั้นพวกเราก็บุกเข้าไปช้าๆจนผ่านเพดานถ้าช่วงหนึ่งที่เป็นช่องทะลุขึ้นสู่เบื้องบนได้เราเห็นแสงอาทิตย์สาดส่องลงมาตามช่องนี้ได้ผมตามนายนำโชคนาเอเข้ามาเป็นคนที่สเพื่อนผมอีกสองคนนะรังท้ายเราก็พยายามเกาะกลุ่มกัน ในถ้าทั้งลื่นทั้งมืดกลิ่นอับและกลิ่นขี้ขังขาวโชยมาเป็นระยะกันบางเดินดุ่มๆไปข้างหน้าและพวกเราก็ได้ยินเสียงแปลกๆตามมาจากทางด้านหลังเราทุกคนหันไปดูทันทีเสียงมันดังยิ่งใกล้เข้ามาเรื่อยๆยิ่งใกล้เข้ามาเรื่อยๆมันเป็นเสียงของการย่าเท้าลงบนกองกรวดที่ถูกน้ำเซาะที่ปากถ้ามีเสียงย่าน้ําที่แห่งน้ําขังก่อนจะมาถึงทางนี้นายนำโชคให้สัญญาณพวกเราว่าหาที่หลบหาที่หลบไปเร็ว ผมและพเพื่อนก็หมอบลงตามพื้นที่ลื่นๆนั่นแหละแล้วก็อาศัยหินงอกหินย้อยและความมืดภายในถ้ำบดบังอำพรางร่างกายเอาไว้จากคนที่ตามมาข้างหลังเราไม่แน่ใจว่าเป็นใครพวกนักสำรวจด้วยกันหรือว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้หรือเป็นไปได้แม้กระทั่งพวกโจรแต่ถ้าพูดถึงนักสำรวจเห็นจะมีก็แค่พวกเรานี่แหละสักพักเสียงนั้นก็เงียบไปสแสดงว่าผู้ที่ตามมามันหยุดเดินแน่ๆเราหมอบเนิ่งไม่ไหวติง เราอีกครู่หนึ่งก็ไม่มีใครเข้ามานายนำโชคส่งสัญญาณว่าออกเดินทางกันต่อได้แต่ต่างคนก็ไม่เข้าใจด้ว่าเสียงที่ทุกคนได้ยินเมื่อกี้เนี่ยเหมือนคนเดินตามมันคือเสียงของอะไรกันเราเดินเข้าไปในอีกครูหาถ้าด้านหนึ่งนายนำโชคล้วงเอาไม้ท่อนขนาดลําแขนขึ้นมาเอาไปแช็กจุดคบไฟขึ้นเขาบอกว่าในถ้าข้างหน้ามันอันตรายอาจจะมีแก๊สมีกลิ่นที่เราหายใจเข้าไปแล้ว ถึงขั้นสลบหมดสติก็เป็นได้เขาเลยต้องจุดไฟขึ้นเพราะว่าถ้ามันไม่มีออกซิเจนไฟก็จะดับหมายถึงว่ามันจุดไม่ติดมันก็จะอันตรายแต่ในความเป็นจริงแล้วก็มักไม่มีใครเขาดียมจุดไฟในถามากันหรอกมันไม่ใช่เรื่องที่สมควรจะทำนักแต่ในเวลานี้เราก็ไม่มีทางเลือกอื่นที่เขาไม่จุดกันเพราะว่าขามาจากการเผาไหม้อาจจะไปทาลายหินงอหินย้อยได้ แต่ในเวลาเนี้ยพวกเรากลับรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลของถ้าแห่งนี้แล้วล่ะมันมีอะไรแปลกๆอย่างที่เราไม่อาจจะร่วงรู้กันได้ใกล้ครูหาถ้ำมุมถัดไปเราเห็นวัตถุขนาดใหญ่ใหญ่มากจนแทบมองด้านบนไม่เห็นเลยมันเป็นเสาที่โผล่พ้นน้ําออกมาตลอดลําเสามีคราบสีน้ําตาลไหลย้อยลงมามันเป็นคราบของแมงการ์นิสคุมอยู่บางๆหยดน้ําจากเพดานถ้าหยดมาหลายพันปีแล้วมั้งจนในที่สุด ผลึกแคลเซียม ก, ก็ค่อยๆก่อตัวเป็นเสาขอแทรกวิชาการนิดนึงเสาถ้ำนั้นส่วนมากจะล้มลงเพราะแผ่นดินไหวแต่ที่นี่มันยังยืนตทำงานอยู่เราขยับเข้าไปใกล้ๆก็ได้ยินเสียงแปลกๆอีกครั้งนายนำโชครีบดับคบไฟทันทีความมืดก็เข้ามาปกคลุมอีกแล้วพวกเรานั่งลงและหมอบอยู่เงียบๆแสงสว่างจางๆสาดส่องมาเป็นทางเห็นเงาหินและโขดหินอยู่ในถ้ำเป็นเงาอยู่ไรๆเรารออยู่เป็นนานก็ไม่เห็นมีอะไรอีก ผมก็ขยับตัวลุกขึ้นและสายตาก็ไปเห็นอะไรบางอย่างเข้าสิ่งที่ปรากฏอยู่บนผนังถ้ำมันแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของส่วนใดกับผนังเลยแหละแต่ถ้าว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นนะเพราะที่เสาหินข้างหน้าเราเห็นเงาคนตัวดำๆกำลังไต่เสาหินอยู่เขาไต่ขึ้นไปตามเสาช้าๆพอขึ้นไปเกือบจะถึงสุดยอดเสาเราก็จะมองไม่เห็นเพราะตรงนั้นมันมืดมากทุกคนเห็นหมดตกใจและพยายามตั้งสติกันไว้ แล้วเราก็ได้ยินเสียงคลุกลักครุกลักมาจากทางด้านหลังพวกเราผมพวกเราค่อยๆหันไปดูเจ้าเงาประหลาดที่ว่ามันกลับตายลงมาตามผนังถ้าอีกด้านหนึ่งช้าๆพวกเราเห็นก็ถอยหลังตรูดไม่คิดเลยว่าจะเจออะไรอย่างนี้ผีผีผีไอ้เพื่อนผมคนนึงมันรล่ำระลักออกมาแทบไม่เป็นภาษาคนนายนําโชคบอกใจเย็นๆใจเย็นๆผมบอกเร็วเร็วเร็วเไงดีผมก็กลัวเหมือนกันก็แทบจะซุดลงไปกองกับพื้นเหมือนกันนายนําโชคกับนายเอ๋ล้วงมือเข้าไปในเสื้อ ในน้ำโชคงัดเอาสร้อยคอพวงใหญ่ออกมานำขึ้นจบและยกสร้อยชูไว้เงาที่เราเห็นตรงนั้นก็ผงาดนิดนึงก่อนจะจางหายไปอุ้ยพวกเราตั้งสติได้ก็คิดว่าจะเอางกันต่อดีเนี่ยจะบุกต่อหรือว่าจะถอยเพราะถ้าบุกต่อไปอีกก็ราวๆหนึ่งชั่วโมงถ้าถอยหลังกลับก็มีทางออกให้เราออกทางเดิมได้ที่เราเพิ่งจะเข้ามาเมื่อกี้กระเพอะกระเพอะเพื่อนผมมันพูดออกมาโดยไม่ต้องคิดเลย กูแน่ใจว่าที่เราเห็นนะ่ะผีแน่ๆผีแน่ๆเพียง แ, แต่ว่าเขายังไม่ได้หลอกจริงๆจริงจังเว้ยเท่านั้นรีบกลับกันเถอะพวกเราผมก็ฟังแล้วก็ไปยักหน้านายนำโชคก็เหตุผลว่าถ้าเรากลับเราก็รู้ทางนะเจนทางเพราะมันเพิ่งผ่านมาเรากะเวลาได้ว่าจะไปทางไหนยังไงแต่ถ้าเราบุกต่อเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าข้างหน้าเราจะเจออะไรบ้างอะ่ะจะเจอไอ้พวกเมื่อกี้อีกหรือเปล่าไม่รู้พอนายนําโชคพูดออกมาแบบนี้เราก็ตกลงทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข พอเราขยับตัวเราก็ได้ยินเสียงปแปลกๆดังลงตามมาจากผนังถ้ำอีกแล้วนายนำโชคให้เรารีบออกเดินทางทันทีผมหันหลังไปก็มองเห็นเงาประหลาดนั้นกําลังท่าบนผนังเงานั้นเคลื่อนไหวตามหลังเรามาช้าๆผมกลัวมากแข้งขามันพานจะหมดแรงอาไปด้วยพอพวกเราค่อยๆพ้นคูหาแรกแล้วก็ตะลึงจังอยู่ที่กลางถ้ำเพราะสิ่งที่เราเห็นตอนนี้มันเป็นเงาร่างคนตัวใหญ่อีกคนยืนจังก้าอยู่ เรามองหน้าเขาไม่ชัดเพราะความสูงที่ประพอกับเพดานถ้ำเราชะงักจะเอาไงดีคนคนนั้นก็ขยับตัวเราก็กลัวจนพานจะเดินไม่ไหวเลยแหละพวกเรากลัวกันมากขาแข้งนิ่งกันไปหมดเลยมันก้าวไม่ออกไม่เป็นใจกันเลยเลยแล้วก็ยิ่งหนา้ากลัขึ้นไปอีกเพราะไอ้เงาที่ว่ามันตามหลังพวกเรามามันกำลังลอดปากถ้ำออกมาด้วยเพื่อนผมสองคนข่าวอ่อนลงไปแล้วพวกเรารู้ดีว่ากำลังถูกหลอกแน่แน่ สังเกตได้ว่าเริ่มหมดเร็วแรงกันหมดเลยนายนํำโชคเองก็ตาลึงตาค้างคนร่างใหญ่นั้นก็หยุดเดินในขณะที่เงาอีกเงาหนึ่งขึ้นไปทาบที่ผนังแล้วเราก็ได้เห็นเงานั้นชัดเจนขึ้นคนร่างใหญ่ถอยหลังในขณะที่เงานั้นเข้าไปจันหน้าเฮ้ย <"He i, S 2> อะไรกันนะ่ะเราทุกคนจ้องภาพนั้นไม่วางตาเลยก็ไอ้เงาสองเงาเนนะี่ยมันกําลังสู้กันเองไอ้ผีสองตัวนี้มันกําลังสู้กันเรือไงเนี่ยนายนำโชคกับนเอมารวมกลุ่มกับพวกเราใกล้ๆกันเข้าบอีกและภาพที่เห็นต่อหน้าต่อตา ก็เป็นภาพที่เงาทั้งสองฝ่ายหนึ่งเป็นเงาร่างใหญ่และฝ่ายหนึ่งเป็นเงาร่างเล็กเงื้อง่าเข้าต่อสู้กันเสียเอะอึกฤทึกดังลั่นท่ามไปหมดเงาทั้งสองมันต่อสู้กันจริงๆสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายเห็นคนร่างใหญ่กลับเงื้อมีดขึ้นมาไม่รู้มาจากไหนฟันฉับเข้าที่ร่างของเงาที่เรามองเห็นไม่ชัดมากนะักต่างคนต่างไม่ยอมกันพวกเราก็ได้เด่นยืนตัวแข็งดูกันอย่างเดียวเรารู้ทั้งรู้ว่าที่เห็นอยู่ตัวหน้าเนี่ยมันเป็นผีแต่เราไม่มีแรงที่จะขยับขเขยื้อนกันหนีไปไหนได พวกเราก็ร้องอืออในลำคอกันเพราะความกลัวเพราะภาพตรงหน้ามันชวนหลอนมากเงาดำเงือดาบที่ติดอยู่กับไม้ด้ามยาวแทงสวนไปที่ร่างของเง า, งงาสูงใหญ่นั้นดาบนั้นปักเข้าไปแทบมิดด้ามไอ้เงาร่างใหญ่ก็ซุดลงทันทีพอเงาร่างใหญ่ซุดลงมากับพืดเงาดำก็ถอนดาบออกจากร่างพร้อมเงือดาบขึ้นฟันฉับเดียวหัวของเงาร่างใหญ่ก็ขาดกระเด็นเลยกลิ้งตกลงมาหลุนหลุนหลุนหลุนหุนหัวนั้นก็ดันกลิ้งมาทางพวกเราซะด้วย ทุกคนพงะเลยทำอะไรไม่ถูกแล้วก่อนหัวนั้นมันจะหยุดกลิ้งมันก็กลับหันหน้ามาทังพวกเราพร้อมกับยิ้มฟันขาวให้เลยนะรู้ตัวแค่นั้นความกลัวมันถึงขีดสุดทุกอย่างมันวูบไปหมดกลัวจนทําในไม่ถูกทุกอย่างมันมืดแล้วก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็เห็นเพื่อนๆกําลังช่วยกันอยู่นายนำโชคกับนายเอก็กําลังช่วยพวกเราอยู่ด้วยเขาเล่าว่าพอหัวพวกมันกลิ้งมาแทบเท้าเราแล้ ว, แ ล, วและยิ้มให้นะ่ะ เขาก็เห็นผมกับเพื่อนๆร่วงลงกับพื้นเป็นแถวเขาเองก็กัดฟันเอาซ้อยที่กําไว้ในมือฟาดไปที่หัวของมันเลยแล้วหัวนั้นมันก็ร้องดัานไปทั่วถ้าเลยทั้งหัวทั้งล่างพวกเงาที่นั้นก็หายไปหมดเลยทุกอย่างอยู่ในความเงียบสงบพวกเราก็รีบพากันออกมานอกถ้าด้วยความทุลักทุเลผมรู้สึกเหนื่อยมากแต่ที่จริงใช้คําพูดว่าพวกเรารู้สึกเหนื่อยมากก็ได้ผมเดินจนแข่งขาหมดแดงมันทั้งตึงทั้งปวดไปหมด รู้สึกว่าวันนี้มันยาวนานเหลือเกินหลังก็ปวดจากการนี้นคอยก้มหลบโน่นหลบนี่ตลอดเวลาการสำรวจถ้ำลำคองงูจบลงเพียงเท่านี้เราไม่ไหวแล้วเวลานี้ภาวนาได้เพียงอย่างเดียวเขาให้หลุดออกมาให้พ้นถ้ำแห่งนี้ให้ได้เท่านั้นแหละเราออกมาจนถึงปากถ้ำตลอดทางไม่มีใครปีปากพูดอะไรกันเลยลำห้วยลำธารเล็กๆขาเข้ามาก็ยังเห็นมีน้ำไหลเอ่ยอ ย, อยู่ตอนนี้มันแห้งไปแล้ว นายนำโชคบอกว่าในหน้าฝนมันถึงจะไหลลงมาอีกครั้งหนึง่งพอเราผลนถ้ำแสงสว่างที่สาดลงมาก็ทําให้เราใจชื้นขึ้นนั่นแหละนายนําโชคถึงได้ปีปากพูดออกมาอีกครั้งว่าโชคดีจังเลยครับที่เรารอดมาได้ผมนึกว่าพวกคุณคุณจะแย่ซะแล้วเราไม่ตอบเพราะไม่มีแรงกันแหละต่างก็นั่งพักเหนื่อยร่างกายปวดร้าวไปหมดนายนำโชคพูดต่อยว่าผมว่านั่นแหละผีถ้าที่เขาร่ํำลือกันนะคนหนึ่งเป็นทหารญี่ปุ่น อีกคนหนึ่งเป็นทหารเชลยนั่นคงเป็นภาพสุดท้ายที่เขาฆ่ากันแน่เลยเงานั้นจะต้องเป็นผีที่ฆ่าทาหารญี่ปุ่นแน่ๆเฮ้ยขนยังลุกไม่หายเลยเนี่ยเพื่อนผมก็พูดเลยว่าดีนะที่นายนําโชคยังมีสติและช่วยพวกเราเอาไว้ได้ที่ไหนได้ล่ะครับต้องกราบหลวงพ่อท่านสิหากไม่ได้พักสิ่งเปาบเรตองค์นี้แล้วลราก็แย่แน่ๆเลยแหละแล้วนายนําโชคก็เอาหลวงพ่อขึ้นมาจบก่อนจะเก็บไว้ในเสื้อตามเดิม เย็นวันนั้นเรากลับมาถึงที่พักที่เอราวันผมคิดหึว่ไปถึงการประจนภัยที่เพิ่งผ่านมาเรื่องราวเหล่านี้คงติดตัวไปจนตายแหละแล้วก็ติดตัวจนมาเล่าให้คุณได้ฟังเนี่ยแหละเข็ดจริงๆเที่ยวถ้ำไหนก็เที่ยวได้แต่ถ้าถ้ำคลองงูอ่ะไม่ไปอีกแน่ๆวันนั้นผมก็ล่ําลาและขอบคุณนายนาโชคกับเนายเอที่สามารถพาพวกเรารอดมาได้ผมก็เดินทางกลับกรุงเทพกันเลยอย่างปลอดภยัยจากการเดินทางที่ประจนภยัยคงไม่มีวันลืมได้อย่างแน่นอน และนี่ก็เป็นประสบการณ์ของพี่ลีครับที่แชร์ให้ฟังสงสัยกลัวจะน้อยหน้าพี่ชาติแต่ก็เป็นการดีครับเพราะผมจะได้มีเรื่องมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันต่อก็การเล่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ